เรื่องภิกษุณีถ่ายอุจจาระสมัยนั้นภิกษุณีทั้งหลายถ่ายอุจจาระในวัดจักกุดีพวกภิกษุณีฉับพักขี่ให้คันตกไปในวัดจักกุดีนั้นภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุณีไม่พึงถ่ายอุจจาระในวัฏจักุดีรูปใดถ่ายต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ถ่ายอุจจาระในที่เปิดข้างล่างปิดข้างบน